สา <Book> <Sam. S> 3การทาความรู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 Você da Ásia? คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะในที่โ v i v รมคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ คุณชอบที่นี่ไหมคะกอสตาจิสตูอาคีคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ está passando férias aqui? มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะวิซิทิเมองจิอนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Aqui está a minha morada. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Vemo-nos amanhã? ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง Lamento, mas já tenho planos. ลาก่อนค่ะ Ciao. ลาก่อนค่ะ Ate a próxima แล้วพบกันนะคะ Ate breve